สติอัตโนมัติคือ ส, สติที่แม้ไม่ตั้งใจเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจเลยด้วยทักษะที่เราฝึกเอาไว้จิตมันรู้เองว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคราวนี้ไม่แงะนะไม่หันไปมอง <laughs> นี่วันนี้เรียนสัพท์ใหม่นะแงะ <laughs> ไม่ต้องตั้งใจไปดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแต่ด้วยเหตุที่เราสะสม ให้จิตมันรู้ว่าราคะเป็นยังไงบ่อยเข้าผัเข้าเนี่ยพอราคะเกิดจิตมันจําได้เองเหมือนเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาตั้งแต่อนุบาลเนี่ยนะเราก็จําได้แม่นว่าเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรเพื่อนคนนี้ชื่ออะไรแต่ถ้ามาเจอคนใหม่เช่นมาเจอพี่เลี้ยงคนใหม่ๆ น, นะนะะพี่เลี้ยงคนนี้ชื่ออะไรพอเจอกันแค่วันสองวันครั้งสองครั้งจําไม่ได้แต่เราเจอกันมากี่ปีแล้วเนี่ย สี่สิแสดงอายุมากกว่านั้นใช่ไหม <laughs> <laughs> นี่หลอกถามอายุ น, นนะ <laughs> มันจําจนแม่นจําแม่นนี่มันยังไงเห็นไ <laughs> กลไกลเงาตะคุ่มตะคุ่มล้วจําได้ใช่ไหม <laughs> จังหวะเดินอยเ ง, งี้ยยัยเนี่ยมาแล้ <laughs> ไม่เห็นหน้าเลยมาละวยัยเนี่ยมาแล้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ถ้าอย่างเงี้ยนะแกะแกะเนี่ยเรานึกภาพออกเลยมันเดินแบบบอกเวลามา ตรงอ่ะมันจำแม่นขนาดนั้นใช่ไหมแค่ได้ยินเสียงนึกภาพออกเลยเราต้องฝึกสติให้ขนาดนั้นพอคนที่เขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องธรรมะเนี่ยนะเขาฝึกจากการดูกิเลสนี่แหละแล้วพอกิเลสมันเกิดขึ้น ไม่ตั้งใจเลยตอนนั้นไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาดีหรือจะจะทำอะไรนะไม่หวังว่าจะได้มากผลอะไรเลยแต่จิตด้วยการที่มันฝึกจนมีทักษะในการดูแล้วเนี่ยพอมีแอนนี่ขึ้นมามีกิเลสตัวนี้ขึ้นมาจิตมันทํางานเองถึงคราวที่มันทํางานเองเนี่ยนะกับการเม็นว่าจิตขณะนั้นมีกําลังมากเกิดปัญญามากกําลังนั้นพายสูงมากถึงมากผลได้ถ้าไม่มีไม่มีสติระดับที่เรียกว่าเกิดขึ้นเองเนี่ยนะ สติสมาธิปัญญาขณะนั้นเนี่ยไม่มีกำลังพอที่ไปสู่มรรคผลเพราะมันยังมีความตั้งใจยังมีเจตนาเจตนาตรงนี้เรียกว่ายังทากรรมอยู่เคยเรียนไหมว่าทากรรมทีไรเนี่ยนะก็คือจะต้องรับวิบากวิบากของการทากรรมคือ